แต่ว่าสี่นพิสม aja เนี่ยท่านจะบัญญัติลองลงไปคือให้พระสงฆ์ปฏิบัติอันนี้แหะคือกฎระเบียบของพระสงฆ์ท่าว่าไปแล้วก็มากแต่ว่าย่นย่อลงมาถึงจะมากขนาดไหนก็เถะนะิะพระในครั้งพระพุทธเจ้าบวชเข้ามาแล้วอ่อนอกอ่อนใจว่าจะรักษาได้อย่างไงทั้งสินสองรี่สิบข้อนี่ก็มากแล้วยังศี่นพิสมา aja อีกเป็นพันๆเป็นหลายพันซึกขาบท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 เมื่อเราเป็นพระแล้วกิจที่ควรทำอนุาสาตแปอย่างนิสัยสี่กิจที่ควรทำอาัการณยกิจสี่กิจที่ไม่ควรทำรวมแล้วเป็น8ดนะจากนั้นก็นไล่ไปเรื่อยปาลายชิกสี่สังฆาทิเศษ7สสอนยศสองนิถกียปาจิตตี30ปาจิตตี92ิปฏิเทจนิยะสี่เศษกิยวัตเจ็ดส้ารวมกันเป็นร้องสอง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 หลวงพ่อไวาอยากจะให้พวกเราคือไม่สายเกินไปคือตั้งจิตอธิษฐานมาวัดหลวงพ่อนมีพระประธานอยู่ต่อห น, น้าพระพุทธอุดมมงคลอีกต า, ากหานะเป็นพระที่อุดมไปด้วยมงคล้พระประธานที่วัดหลวงพ่อเพราะนั่นก็ลาพระประธานเสร็จแล้วเออวันนี้ข้าพเจ้าเนะีได้มาทมําบุญที่วัดหลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อพูดว่าในพรรษา น, น, นี้ควรจะยึดอะไรเป็น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 ในเมื่อเกิดมาชาตินี้แล้วเราทากรรมชั่วอีกต่อไปแล้วก็จะวิบากจริงซดลงไปอีกเพราะว่ากรรมดีกรรมชั่วน่ยมันทํามาในอดีตอย่างพราหมณ์ท่านหนึ่งเกิดมาชาตินี้รวยมากในกรุงสวรรค์ถีรวยจริงๆเหมือนกันเป็นมหาเศรษฐีแต่ขี้เหนียวมากไม่รู้จักทําบุญทําทานเลยเวลาคนมาใกล้เนี่ยญาติพี่น้องมาใกล้เนี่ย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 ทนี้พอโปโลหิตตายจาย์ไปเห็นพระประเจกกําลังบินเทบาตเนี่ยองเดียวนะพอเห็นบินเทาบาทพระประเจกท่านก็ออกจากนิโรธชมาบัตรท่านออกมาแล้วท่านก็เดินในตลาดคนมากโปโลหิตได้บอกเห็นพระประเจกเท่นั้นแหะเอ้าไทบาดตักบาดใจบาดตักบาเน้อลูกหลานเน้อใจบาทพระประเจกพระประเจกพุทธเจ้าทีนท่านเดินมาบินเท่าบาทใจบาทพระประเจกเน้อคนทั้งหลายเห็น